ท่านไปเห็นพระอสชิบินทบาตเนี่ยท่านก็ไปถามพระอาสชิว่าหลักธรรมที่พระอสชิเรียนเนี่ยศาสดาของท่านสอนอะไรพระอาสชชิสอนบอกว่าท่านก็พูดให้ฟังนะท่านบอกท่านเพิ่งบวชใหม่รู้ไม่มากหรอกพวกเราเนาะพอนานนิดหน่อยเรารู้เยอะเยะเราพูดธรรมะ ก, กันฉอดฉอดฉอดเ <laughs> ถียงกันไปเถียงกันมานะโอ้ยแตกฉานกันจังเลย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 ใครรู้บ้างว่าพระนอนุนฟังธรรมของท่านผู้ใดแล้วได้โสดาบองรู้ไหมพระปุณณมันตณีบุตรนะเด็กๆ ก, ก็ต้องเรียนไว้นะกะตันยูกตวเวทีความกตันญูเป็นเครื่องหมายของคนดีคนอาคตันยูไม่ดีบอกสิ่งที่หาได้ยากคนที่หาได้ยากในโลกนี้มีสองประเภทนะ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 โลกเป็นยังไงมีใครไม่รู้บ้างใชราคาโทสะฟุ้งซ่านเป็นยังไงใครไม่รู้บ้างฟุ้งซ่านหดผูเป็นยังไงใครไม่รู้ลังเลสงสัยใครไม่รู้จักบ้าง Body. อิจฉาใครไม่รู้จักกลัวใครไม่รู้จักกังวลใครไม่รู้จักความรู้สึกตรนีใครไม่รู้จักความรู้สึกอิจฉาใครไม่รู้จักเห็นไหมสภาวะธรรมทั้งหลายเนี่ยพวกเรารู้จักอยู่แล้วเราอย่านึกว่ายาก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 พ อ, อกโกรธปั๊บเนี่ยสติเกิดเองเลยไม่ต้องไปคิดเลยว่าตอนนี้รู้สึกอะไรมันจะแจ่มแจ้งขึ้นมาเลยว่าอ้ อ, อกโกรธแล้วนะมีคำว่าแล้วด้วยนะอ้ อ, อกโกรธแล้วอ้ อ, อโลบแล้วอ้ อ, อใจลอยไปแล้วคือสภาวะนั้นเกิดขึ้นก่อนแล้วเราก็รู้ตามถึงจะเรียกว่าจิตาาจตานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาแปลว่าการตามเห็นจิตเนืองเนืงตามเห็นหมายถึงว่าสภาวะทางจิตใจเกิดขึ้นก่อนแล้วก็ค่อยรู้เอาไม่ใช่ไปดักรู้นะ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 อันเนี้ยจะเหมือนที่พระอัสสชิสอนพระสาริบุตรสอนอุปติสสะสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุพระตถาคตเจ้าแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นและแสดงความดับไปแห่งธรรมนั้นสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุนะแล้วทําไมมันดับไปแห่งธรรมนั้นสิ่งทั้งหลายดับไปดับไปก็เพราะเหตุมันดับนั่นแหละนี่เราหัดดูกายดูใจนะมีสติรู้กายรู้ใจไปก็เห็นแต่ความเกิดดับ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 การสั่งสอนนะ่ะเรียกว่าอนุสาสนีปฏิหารนะคนละตัวกันนะคนละเรื่องเลยคนละโลกเลยนะอยางพาพวกเราให้หัดรู้สภาวะของตัวเองนะเรียนรู้สภาวะตัวเองนะมันไม่ใช่อาเทณนาปฏิหารนะอธิณนาปฏิหารเช่นนี่โบกำลังคิดเรื่องนี้อยู่นี่เห็นนี่กำลังคิดเรื่องนี้อยู่นี่นี่คคิดเรื่องนี้อยู่ทายไปเพื่อให้เขาตื่นเต้นเขาตื่นเต้นเขาจะได้เอาลาบสักการะมาให้หน